Thank you. ข้างกลางผู้คนมากมายหลากหลาย<ๆ>เธอมีเพียงร่างกายตั้งอยู่กลิ่นทูปชุดดำดอกไม้รอบกายของเธอรูปเธอรอยยิ้มภาพครั้งสุดท้ายเกิดมา